พูดตัวหนน้ำตาเนี่มันแปลกนะไม่เห็นเราก็ไม่เคยคิดมันน้ำตาเรามันจะพังในขณนะที่มันโอโห้โอ้โหโ้โหโโหมันฉลบทำเมื่ย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าน้ำตาร่วงน้ำพะเนร่วงนั่นละ่ะคือน้ำตาเนี่เป็นสมมุติธาตุขันเป็นสมมุ ต, าามมติแต่เพราะอาศัยจิต คมรู้สึกขงจิตมัน ก, ก็ตกก็แสดงออกมาเช่นอย่างถ้าคนทั้งหลายร้องห่มร้องไ ห, งห้เวลาคนนั้นคนนี้ตายถ้าสาวกอรหาันท่านตรงธรรมสังเวชน่ะนักจนน้ําตาล่วงออกมามันมีอยหนึ่งที่กระตกุกนี้นจะจตท่านเป็นพรธรรมสังเวชเพราะไม่ได้กระเทือนจิตของท่านให้เกิดความเสียอกเสียใจเหมือนอย่างโรคทั่วไปมันตายเป็นธรรมสังเวชขึ้นมา ท่านจึงให้ชื่อน้ำตาของพระอรหันต์นั้นแบบเป็นธรรมสองเรืเ่องหนึ่งนั้นพระเนร่งน่งขนาดที่พุทธิยาแตรพุที่แล่นั่นแหละเรื่องธาตุเรื่องขันก็ต้องเป็นไปเหมือนโลกแต่ความรู้สึกนั่นต่างกันเรื่องพระเนรบูชาต้นโพท่องจิดกันเรายอมรับหมด มเห็นคุณค่าไปหมดอย่างหลวงปู่ขาแล้วอนเวลาจะกลับมาก็ได้หนีจากเงื่อนังมาแล้วหนัน ห, หลังกลับคืนอีกท่นว่าหันหน้ากลับคืนไปดูสถานที่อยู่นี่แล้วดูประชาชนที่เขาให้ตักใจเครื่องสนับสนุนทีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางความเพียนและชีวิตจิตใจตลอดมาเห็นคุณค่าไปหมดท่านว่า เพราะท่านไม่มีอะไรมาจีดมาขวางแล้วก็ตรงลงไปําหลักความจริงไปเลยไม่มีอะไรมาจีดมาขวางเนี่ยอั่นก็เป็นเหมือนกันเวลานันได้พลิกแผนดินโลกกถาสมมุตินี่ออกจากใจแล้วโอ้โหไม่มีครั้งใดสมัยใดเหมือนเลยมันคงจะมีเท่านั้นในชีวิตนี้ ผที่งเท่ากันนั่ะโอ้โอ ห, โหทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแบบกดสภ า, ายบาทดกันเ ข, ขาลูกนั่นปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนความมืดมันอยู่ที่ไหนความปิดบังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคือมันอยู่ที่ใจเวลามาเจอต่างๆที่ใจเสรมันก็ไปเห็นโทษในตี ควรเห็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรเห็นยังถึงใจงเหมือนกันน้าตาล่วงปดทั้ ง, งตัวคือ ม, มันมุ่งหน้าง ม, มาโดยลาดับลำดามาถึงถึงมาถึงดินแล้วควรจะกล้ามไม่กลามถูกกบิชาอ้อยเอาไว้อ้อยองเลยโถโอ้โหเอีหหอาอิชาเป็นอย่างนี้เราเหลือ ยังไม่เชื่อเป็นอะวิชาเพลิ น, นความข้างหน้าพาเพยความแปลกประหลาดอาจรรจันทร์เหมอาานอาถรรจันทร์มรดิ์าเวลานั้นออกไปมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่เหมือนนั่นทีิ่ถ้าเป็นโลกกับคนแล้วโลกฟากโลกที่ไหนกะเป็โลกมันต่างกายกาใจการเทววีสิ่งที่ว่าอ า, าจารรจนร์นอ้อยเหมือนก็เป็นเหมือนกองที่ควายระดีๆนะโอ้โหวิชา นั่นใหญ่ถึงขนาดนเทานโอ้โหนึกว่าภาพวิชาวนาวาดเหมือนเสือโค่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนอขอี้พอไปเจอตัววิชากี่งโอ้ยตัวกล่องนะอืมเรียกว่านางบังเงานางงามจักรวาลมันติดมันพันอลืมเนื้อดูนตัวเพลินอยู่กับจิต ป, ประเภทนั้นนั่นเห็นได้ข น, นะดคำว่าสมมุติกับวิมุตต่างกันขนาดไหน พอมัผ่านกันออกไปแล้วต่นนั้นจริงๆก็มาเห็นทั่วกันเหมือนกับคนนั้นโลกคนนั้นมันกำนรกกำแดนสวรรค์ผู้หนึ่งๆอืยู่ในความควบคุมย่างไรมันไม่ยกเวนะ้นวิเลยตมันไม่ได้ไปอยู่ในนั่นในนี้มันอยู่ที่หัวใจบีบขั้นตรงหัวใจ พอเอานี้ออกแล้วนีมีกค่ชัน้นะัน้าอีก่ไหนอีกอีกนีมีอยู่ที่จิงนะอาภาเพยมันมีอะไรมาจีบมาคว้างมารู้ยา่ก่อกวอย่างน้มันมี่จะกิเลส อ, อย่างเดียวเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นอยูนนนอยนนนน่นั่นหงนี่ร่มบุกคู่ครานก็ยังมีครูมีทานแนะนำต่างๆนทางที่ถูกที่ดีอยู่แล้วมันก็น่าผูมงใจอยู่ครูปฏิบัติ ระดับชุกสี่ชุมห้าไม่ได้หน้านหลังข้าพูดแนะนําำสอนก็มียี่มันลำบากอาใครใส่พวแม่หัวใจ น, นะฟาดลเต็มเหนี่ยวทั้งท่านฟาดลงเต็มที่แล้วฟาดลงเต็มเหนี่ยวนะมันไม่กล้าพูดแบบไม่มีงานใดที่เป็นหนักยิ่งกว่างานค้าทดิเล็ะงานค้าที่เล็ต เ, เป็นงานที่หนักมากในธีร งานที่เราเคยผ่านมามากน้อยจะหนักยังไงไม่ได้ถึง็นลักเป็นสลับตายกันวะแต่งานค่าที่เดือไม่รู้กี่ครั้งอืที่มันเป็นเพื่อนพื้นสลับเพื่อทําเป็นกระตายสลับตีนเป็นเนพื่อนเพื่นอนก็มีนะถึงวาละเอานะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแบบปล่อยละที่นี่ไม่ตายก็รู้ไม่รู้ตายเท่านั้นนักเดียวกว่าบนี่เป็นสลับเป็นทักทักทกันงานนี้เจะถึงขนาด น, นั้นไงงานอืน่นเราไม่เคยได้สลับเป็นสระตายกันมันวะ งา น, นทั้งโลกที่เคยปฏิทํามาแต่งานต่อสู้กู้เหลือนี่ได้สละอย่างนั้นจริงๆทุกประมาณที่สุดเลยคุ้มค่าในตำหนงช ม, มด้วยซ้ำชมเรื่องความาึกสาพยายามความบึกบงนในการปฏิบัติมาของตอนภูมิใจเพราะย่ทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่ ตายมั้ได้ยังไงมันเป็นคนลบคนเป็นคนในโลกอีกแลหละอเล่าคนนี้กับคนคนนั้นน่ะกับเล่าคนนั้นน่ะพูดถึงกําลังใจมันก็ไม่มีความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีพูดตรงตรงเนี่ยมั่นความมุ่งมั่นมันก็ไม่มีกําลังใจมันก็ไม่มีกําลังวังชาของส่วนร่างกายมันก็ไม่มีนี่แล้วจะเอาอะไรมาให้เป็นได้อย่างนั้ น, นตายว่ะอืม นั่นมันกำลังใจมันพุ่งพุ่งพุง่เดิน โ, โซซัดโซเฟ่ใจมันจห่อเหินเดินฟ้าน่งมันตั้งที่ร่างกายมันหมดกําลังของมันประกอบการอดการขุดทรมานนั่นแหละหมายถึงว่าอะไรแต่กําลังของจิตมันดิบถึงถึงมันคนในโลกอีหล่ะกําลังของกายเป็นอย่างหนึ่งกําลังของจิตเป็นอีกอย่างยิ่งเพราะนั้นมันถึงพอฟ้า พ, พอเหยียบกันพราะความมุม่งมั่น ที่จะเอาให้รู้ให้เห็นนะี่มันหนักมีกำลังมากชีวิตจิตใจก็ไปรวมอยู่ที่ความมุ่งมั่นหมดมีคุณค้านเฉพาะความมุ่งมั่นที่จะให้หลุดทนคุณค้าขงชีวิตเลยทุ่มกับปัญหาตรงนั้นหมดเลยทุกอย่างมันไม่ได้เลยว่า ง, ง้อพูดแฉ่โง่เความมุ่งมั่นก็ไม่มีไม่รู้จะมุ่งมั่นไปไหนอยู่อย่างนี้แล้วเรว่าเซอร์กเซอร์ชุดเซอร์แล้ว ม่งมั่นไปไหนอยู่เฉแม้แต่เรื่องเป็นเรื่องตาไม่เคยไม่เห็นมาเป็นกังวลไม่มาทิศมันอยู่ก็อยู่ก็รู้ก็อยู่นี้จะไปหาที่ไหนเนี่ยเป็นก็รู้กันอยู่นี้เวลาตามันก็คืออย่างนี้มันกระแสก็รู้อยู่นี้ก็ได้พิจารณาอยู่แล้วเนี่ยมันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะสงสัยอะไรแล้วตานีะจะเกิดที่ไหนก็เวลานี้เป็นยังไงล่ะ ยึดตัวงไงนั่นก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่จะได้เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้จะทัดเดี๋ยวจงสัยอะไรอีกเนี่นี่ทั้งว่าปัจจตังปัจจตังด้จจงว่าทันที่ด็กโกนประกาศอยู่ทําหลักธรรมชาติของตนไม่ใช่ว่าจะมาประกาศครั้งหนึ่งครั้งใดของหนึนเดียวนั่นมันเป็นหลักธรรมชาติเวลารู้แล้วก็เป็นจันทีโกรูร้ผ่านไปแล้วมันก็เป็นทันทโกนของมันอยู่นั้นประ จ, จับตลอดเวลาเล้จะเอาอะไรไปสงสัย ในเรื่องเกิดเรื่องตามันจะไปที่ไหนสอยที่ไหนเรื่องพบเรื่องขาดจะไปเกิดเรอะไรมันบอกกัได้ตัวมันเสจโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่จะไปกังวลอะไรอันอนี้เดินทำปฏิบัติทำถ้ามันเห็นนั่นนั่นถึงโกงกับหลักที่ว่าสุขคาโตกตาทำทำนั้นกราบที่ชอบแล้วชอบแล้วถ้ามันเห็นช่ตงกหลักทำไม่จะหาที่แย้งผู้ที่อ่าได้ที่ไหนนอกจากกราบอย่างห้าพนันพระพุทธเจ้ปาปฏิบัติทานกี่องค์กี่ หลาปีมันไม่สําคัญนั่นมันเป็นเชียงเวลาเวลาธรรมชาติความจริงนั้นมีการมีสถานที่ทีท่ไหนอืมเป็นหลักธรรมชาติถ้าพูดเป็นปฏิบัติเป็นปฏิบัติตลอดเวลารู้นี่แนวก็เหมือนอันนั้น hey, evet. อันนั้นเหมือนอันนี้เราจะเอาการสถานที่เขามาจับได้ยังไงเพราะนั่นเป็นสมมุติอันนี้เป็นความจริงมันต่างกันอันนั้นเป็นความจําจํามาองนั้นมีพานอยูนั่นนั่นนั้นเท่านั้นปีเ่นี้ปีเป็นความจําอันนี้เป็นความจริงนง รู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ข้านุ้ยเจ้ามันไม่มีกั้านตรงนี้ ส, สิแต่ลบล้างพุธทธเจ้าทั้งหลายมนมีกับบล้างอันนี้ที่ทถ้ายอมรับอันนี้ล้ายอมรับพุธทธเจ้าทั้งหลายเน่ยม่อันเดียวกันเพราะฉะนั้น่งกล้าพูดว่าทา ม, มาทุโบทุบาท ท, บาทที่เราเรียนเรานั้นนั้นน่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสนดงบอกอยู่ตลอดเวลานะเป็นปฏิบัติทุ่งสด้ํมนอย่างนั้น่ะเช่อนบบ อ, อย่างานะ ส, นนาาสัจธรรมตามทตตังสี่ เหมือนพระองค์ประกาศกลางวันอยู่ในขณะนั้นที่ออกจากเสียงเรานั้นแหละคือทำวิญญาความจริงอยู่นั้น อ, อยู่ในนั้นอ่ะอืเป็นแต่ทำนั้นแท้ไม่เป็นไปอย่างอีกนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพระองค์ประทานพระวาาด้วยพระโอดฐ์ชเองให้เราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวนันเสียงธรรมคือเสียงความจริงไม่มีความปลอมเพลินีดร้อน กันเดียวกับกิเลสจริงมันตลอดมันไม่ขึ้นกับการสถานที่อะไรกิเลสมันกิงอยู่ที่หัวใจมีที่หัวใจทําเมื่อได้กิงเต็มส่วนตนแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกิเลสมันยังเป็นผ่ายสมมุติมันยังมีความแปลไปได้ถึงมันจะมีหยุดในหัวใจตลอดมาก็ตามมันก็มีสภาพที่จะแปลไปได้เหมือนกันเพราะมันเป็นสมมุติเพราะฉะนั้นกิงต้องทํากิเลสไปริงสนานลงไปจากใจได้เริ่มหน้าแทงทำซึ่งเป็นสมมุติแก้กันเมื่อผ่าน ยิ่งเดแล้วจิตมันก็เป็นมิมุติแล้วทีนี้เอาการสถานที่อะไรเข้าไปจับอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้นัน่นจังหวัดอิสระเป็นที่อยู่ไหนก็อยู่ไปไหนก็เท่าเดิมมันเนี่ยความันไม่ไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตอ น, น, นาคตสถานที่นั่นที่นี่ที่เกิด ท, ที่ตายอะไรมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันอยู่ด้วยธรรมชาติของตัวเองด้วยความพอตัวเมื่อพอตัวแล้วจะไปเอื้อมหาอะไรนี่ อั่นนะจิตพอตัวเป็นยังไงฮะจริงจังนีง่ผู้ปฏิวัติอานจะไปฟังหูม้าตาเถื่อนนั่นพูดผลนิพพานหมดเสร็จหมดสมัยคนตาฝ้าตา ฟ, า, ต า, ฟางมือแปดตีดแปดด้านของมันท่ามน้ําลายไป น, ยนี่นพระพุทธเจ้าไมันจะผู้มือแป ด, ด้านน่นะที่สอนทำนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรุงหลอกลวงโลกไม่ใช่าศาสดาหลวงหวงโลกเจ้าทํามันหลอกโลกยังไง กินยังไงก็ต้องสอนอย่างนั้นเลยสอนตามความจริงพ่อรูดกรรมหลักความจินแล้วจึงมาสอนเอาเครื่องหลอกลวงมาสอนหนึ่งในจิตมีแต่ความริง น, นวนวเต็มส่วนภายในพระทายภูพระเจ้าของปร ม, มาหลอกโลกนี่เมันกิเลสนี้ยมันหลอกคนผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้วที่บัตรเท่าไรก็ไม่น่าตัวมันเองนะไม่ ไม่สนใจกับศาสนาไม่สนใจ ก, การปฏิบัติแต่มันจะอ่อนไหลมาตัวนั้นแหะตัวโมฆะแล้วผลวิภานหมดหมดกับผู้นั้นน่แหละผู้ปฏิบัติตามหลักของนอกพลวลิพานอยู่ทำไมนอกผลวิพานจะจะหมดไปไหนนอกผลวิพานไม่ใช่ผลน้ำหมาก ล, ล่างไม้พอที่หมดดูหมดกลางหมดสมัยถ้าเป็นเหมือนผลน้ำหมากล่างไม้มันก็หมดจะได้ไหนนี่พลานไม่ใช่ผลไม้นะคือความจริง เมืนยังความเตียนน่ะสินั่นอยู่ในที่ระโลกนั่นถ้าเราต้องการจะหาห า, หาความเตียนโล่งจากสถานที่นั่นรเร า, เาถางต้นไม้ดายหญ้าออกสิขาดกวามออกเนาะมันจะมีการมีสมัยมาจากไหนประกอบกับมัแได้มันเตียนโล่งกันที่นั่นไปหาการหาสถานที่ที่ไหนอีกเย็ดกินถูกปกคลุมห่ออย่มก็มืดมิดแต่ที่แผ่ด้านอย่างนี้เน่ะเพราะวิเศษปิดบงัง เปิดที่เดียวหมดแล้วสมมาข้าพนี้จะต้องไปหามาที่ไหนไม่ต้องการหาเพราะมีอยู่แล้วอ่ะเรืยองกันน่ะเก็บเหนื่อยแล้วพอพูดถพพูกกัน